ครงนี้เราก็จะเข้าป่าขึ้นภูอีกครั้งหนึ่งเป็นวันสุดท้ายนะของ ก, การยอดตัวขึ้นฟูป่าก็บวังว่าจะเป็นจะเป็นปีดีแล้วก็ปีสุดท้ายเพราะถ้าเกิดว่าตัวที่เราลู กระเจรย์นอกบานกระจายด้วยลมพอนะครับในการฟื้นตู ป, ป่าก็จะเป็นไปได้งายคือวันนี้อากาศอาจจะไม่แน่นอนอาจจะเป็นอย่างเมื่อวานวานี้ก็คือว่าตอนเช้แเาแดดก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ เราจะไม่มีแมงเลยก็ได้ไม่มีแม่ก็แปางคอาว่าแดดก็จะแรงแต่ต้องเตรียมอุปกรณ์ตงก็ต้องเตรียมหมวกต้ง้เตรียมยาหรือว่าทิ การผิวแล้วก็ตามต้องจากเรื่องการดูแลกายของเราไม่ให้ความร้อนมากเกินวแล้วก็อย่าลืมดูแลใจของเราด้วยเพราะว่าเวลา แดดร้อนๆเนี่ยมัออนมากระทบกายเรามันไม่ใช่แค่ากายที่ร้อนนะส่วนใหญ่ใจก็จะร้อนไปด้วยไม่ใช่แค่กายเท่านั้นที่รนะุใจก็จะทุกข์ไปด้วยใจทุกข์เพราะอะไรนะใจทุกข์ก็เพราะว่าโบ น, นะ โ, โอดรูนวยวายตีโพตีพยหรือบางคนก็อาจจะกลดาคนดาแสงแดดกลดาดวงอาทิตย์ถ้าเราอย่างนั้นเนี่ยใจเราก็จะยิ่งเป็นทุกข์ใจเราก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นซึ่งก็ไม่เป็นผลดีกับเราเลยเมื่อจะร้อนเมื่อจะทุกข์แล้วก็ให้ร้อนอย่างเดียวทุกข์อย่างเดียวคือร้อนกายทุกข์กาย จะซ้ำเติมตัวเองนะด้วยการทำให้ใจร้อนใจทุกนะฮะแล้วที่ร้อนแล้วที่ใจร้อนใจทุกข็เพราะว่าการบวชวอยตีโพจีพายข้างในใจร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปลูกยอดทั่วเนี่ยก็อย่าลืมดูใจเราด้วย มือก็หย่อดไปนะขณะเดียวกันก็แม่นเลยจิตใจของเรามีหมวกนะคุหัวแล้วนะมีครีมะการกายแล้วก็อย่าลืมเอาสติมาดูแลใจรักษาใจของเราด้วย ถ้าเราปล่อยใจของเรานะไปตามความเคยชินมันก็จะไปหาเรื่องทุกข์มาใส่ตัวนะบองทีก็กังวลนะทําไปหยอดไปก็กังวลไปหรือว่าว่าท้งแดดแรงเดี๋ยวเราจะเป็นไข้ไหมเดี๋ยวผิวเราจะาเป็นฝ้าหรนะือเปล่าให้คิดเอาเองทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่พอเราไปคิดขึ้นมาใจเราก็ปุนะ๊ทุกข์เกิดามสาบ้างคือโรธโมโหแบบหรือว่าทุกข์ก็กังวลบ้างกังวลว่าจะเกิดอะไรตามมาและความกังวลนั่นแหละที่มันจะไปซ้ำเติมตัวเรานะไม่ให้แค่ไม่ใช่แค่ทุกข์กายแต่ทุกข์ใจด้วย ความกลัวมนก็ดีความกลัวก็ดีนี่มันมันไม่ใช่แค่คิดลอยลอนะมันทำความทุกกายมันทำความทุกใจแล้วก็บางครั้งก็ทำให้ทุกข์กายด้วยแล้วเคยมีามการศึกษาพบ ว, ว่าคนที่เวลาจะโดนฉีดยาเนี่ยถ้าเขากลัวเข็มฉีดยาพอเข็มฉีดยาปักลงไปความเจ็บ จะเพิ่มขึ้นเป็นสาเท่าของคนที่ไม่กลัวแปลว่าความกลัวเนี่ยมันทำให้มีความทุกเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยปวดใจหนึ่ส่วนความกลัวเข้ามันก็เลยปวดเพิ่มขึ้นเป็นสองส่วนกลายเป็นสาม ทุกตายเนี่ยนะแค่หนึ่งนะแต่ว่าทุกแก่มทำให้เกิดความทุกข์เพิ่มขึ้นเป็นสามนั้งแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีความกลัวนะมันก็แค่ขวดหนึ่งเท่านั้นอันนี้ก็ผมจะใช้ได้นะกับเวลาเรามีความทุกข์กายเพราะแดดร้ อ, รอนอะาการที่เรามีสติมาดูใจเนี่ยนะมันจะช่วยทำให้ ใจเราเนี่ยมีเครื่องปกป้องรักษากายนี่ก็มีหมวกมีเสื้อผ้ามีครีมคอยป้องกันอยู่แล้วอย่าลืมใช้สติเนี่เข้ามาดูแลรักษาใจของเราด้วยภูมตัวทั่วภูก็อย่าลืมดูใจของเราที่จริงจะทำแล้วก็ตามเนี่ยการกลับมาดูใจเราเนี่ย หรือมารับรู้อารมณ์ความสุขที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะมันไม่เพียงทำให้ใจไม่ทุกข์แต่ยัทำให้งานเนี่ยเป็นไปด้วยดีเนียเพราะว่าเวล า, าดูใจใจเราไม่ทุกข์เนี่ยเราก็ทำงานกันได้ปลอดโปร่งงานก็สำเร็จนะจริงก็เปิดบา นี่เป็นเคล็ดลับนะในการในการปลูกป่าหรือว่าในการทำอะไรก็ตามเวลาพวกเราเคยยิงธนูไว้ตอนเด็กๆ เ, เวลาจะยิงธนูเนี่ยนะเราก็อยากจะให้ลูกธนูเนี่ยมันพุ่งไปข้างหน้าให้เร็วให้แรงให้ไกลที่สุดแต่วิธีที่ทําให้ธนูนมันพุ่งไปไกลคือต้องน้าวดึงลูกธนูเข้าหาตัวต้องน้าวสายธนูเนี่ยเข้ามาหาตัว แล้วเมื่อเราปล่อยลูกธ น, นูมันก็จะพุ่งไปไกลอยากจะให้มันไปข้างหน้าก็ต้องดึงกลัาข้างหลังอยากจะไปข้างหน้าอยากจเดินก็กลับมาที่ตัวเราที่ใจเราอยู่เสมอและอ้การที่เรามาปลูกป่ายอดทวนในวันนี้แหละนะมันก็เป็นโอกาสหนึ่งนะที่เราจะ ได้ลองสังเกตได้ทดลองดูว่ามันจริงไหมนะเราปลูกตัวแล้วเนี่ยเราก็กลับมาดูใจของเราไปด้วยรักษาใจของเราไม่ให้ปวดไม่ให้วุ่นวายนะไม่โมวไปกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าแดดเผาแรงแรงมากๆ ม, มันยิ่งจะทําให้เราเป็นทุกข์มากขึ้นเวลาแดดแรงๆเนี่ยนะหรือเวลาเหนื่อยก็ตามเนี่ย ก็ให้เหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่เหนือ่อยกายเหนื่อยก็เป็นเรื่องของมันนะแต่ว่าใจก็อย่าโบนอย่าับกบกบก็ว่ๆๆๆนะาอดโอยจะดียิ่งขึ้น ถ, ถ้าเราสังสรงยิ้มดูนะยิ้มแม้แดดจะแรงเราก็ยิ้มการยิ้มนี่ช่วยได้เยอะนะแต่ว่ามีการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งที่พบว่าคนเราเนี่ยเวลา ใช้เวลาถูกฉีดยาเนี่ยถ้ายิ้มเนี่ยนะความปวดมันจะลดลงไป เ, <_ d ata> เกือบครึ่งเลยสี่สิบเปอร์เซ็นอันนี้เขาศึกษายังไงนี่ไม่ทราบนะแต่ว่านี่เป็นข้อสรุปว่าเพียงแค่ ย, แใใจจนะแยิ้มทั้งหน้าแม้ข้างในใจจะกลัวนะแต่ลองยิ้มสักหน่อยให้มันให้ใบหน้าเรามีรอยยิ้มเนี่ยมันก็จะช่วยลดความปวดไปได้เกือบครึ่งทีเดียว <_ d ata> เพราะว่าเมื่อเรายิ้มเนี่ย มันจะช่วยทำให้ใจเราผ่อนคลายลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะแล้วนะกับกา ร, รปลูกถ่วของเราที่กุิลแอนเนี่ยนะมันจะมีข้อความเกียนเอาไว้เตือนใจกุสเแอนนี่เป็นที่ที่เราไปปลูกป่าดูแลป่ า, าเป็นประจำ แต่ก่อนที้มีข้อความว่าฟืนฟฟานะฟ้นฟูป่านะฟื้นฟูใจเวลาเราปลูกป่าเนี่ยเราก็ไม่ได้เพียงแค่มาฟื้นฟูป่าให้เกิดขึ้นกับปูหลงแต่ว่าเราก็ฟื้นฟูใจเวลาปลูกต้นไม้นะก็ไม่เพียงแต่ให้ต้นไม้มันในมือเรามโตเมื่อเราหย่อนลงไปในหลมแต่ว่าให้ต้นไม้ใจเราง อ, อกงามด้วย ใ น, นทรรมดัยกรรเวลาเราหยอดตัวเนี่ยสิ่งที่จะช่วยได้มากก็คือว่าให้เราใส่ใจลงไปด้วยไม่เพียงแต่หยอดทวนไปในหลุมนะเติมใจใส่ใจลงไปด้วยคำว่าใส่ใจหมายความาาว่าเวลาเราหยอดเนี่ยก็เราก็หยอดอยังมีสตินะภาษาไทยคำว่าใส่ใจเช่นใส่ใจในงาน นะใส่ใจนะในการทําครัวใส่ใจในการทำาหารคือว่าเราทําสิ่งเราต้ออย่างมีสติอย่าเวลาเราหยอดตัวลงไปนะเราก็ใส่ใจเติมใจลงไปก็คือให้เราทําอย่างมีสตินะส จ, ตจปตนะปล่อยใจลอยนะมันจะทําให้การปลูกถวนี่มันไม่ใช่แค่ฟื้นฟูปางเดียวแต่ว่ามันจะช่วยฟื้นฟูใจ เพราะว่าถ้าเราเติมสติลงไปใส่ใจลงไปเนี่ยมันก็จะไปบำรุงใจของเราด้วยสติมันจะช่วยบำรุงใจของเราให้ให้งอกงามให้มีความสุขทาแล้วก็ตามก็ถ้าเราใส่ใจลงไปสิ่งนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่งดงาม อาหารของแม่อาหารของพ่อเนี่ยอร่อยสําหรับลูกเสมอเพราะว่าพ่อแม่ เ, เวลาทําครัวก็ไม่ได้ใส่แต่ผักใส่แต่เครื่องปรุงก็ใส่ใจลงไปด้วยมันถึงอร่อยใจเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราใส่ลงไปในสิ่งใดสิ่งนั้นก็กลายเป็นสิ่งที่พิเศษลมหายใจของน เ, นเราในสภาหายใจปกติมันก็เหมือนกับการหายใจรถทิถ้งทิ้งคว่ำ ลมหายใจก็อย่างมากก็เพียงแต่เอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายไปเลี้ยงเซลล์ในร่างกายเรา แ, แต่ทันทีที่เราใส่ใจลงไปกับลมหายใจลมหายใจนั่จะกลายเป็นลมพิเศษที่จะช่วยดับความรุมรอนในใจเวล่อเรามีความโกรธเวล่ามีความทุกข์เนี่ยนใจเรากำลัลงผูกเขากลางและไม่มีอะไรที่จะมาดับความรุมร้อนภายในได้ดีเท่ากับลมพิเศษ น้ำก็ยังช่วยไม่ได้ดีเท่าแล้วลวิเศษก็ไม่ไหาจากไหนลมวิเศษคือลมที่เราหายใจปกตินี่แหละแต่เราเอาใจใส่ลมไปเรียกว่าใสาใ่ใจถ้าเวลาเราโกโรธเวลางง โ, โหล่แล้วมึนหงิดเนี่ยเราลหายใจเข้าลึกๆหายใจยาวๆเอาใจไปอยู่ที่ลมหายใจความโปรธความมึนหิดก็จะเรารอกบานี่แหละว่าเอาใจใส่หายใจโดยเติมใจใส่ลงไป หายใจถ้าเราหายใจแบบนี้เนี่ยนะใส่ใจลงไปกับลมหายใจเนี้มันจะไม่เพียงแต่ไปไปเลี้ยงเอาออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายแต่ยังสามารถจะเอาความสงบเย็นไปหล่อเลี้ยงจิตใจเรามีความหนักอกหนักใจอย่างไรลมพิเศษนี่แหละก็จะช่วยปัดเป่าไอ้สิ่งที่มันเหมอกัก้อนหินที่มันทับถมจิตใจเราได้และไม่เชื่อก็ลองดูนะเวลาหนักใจ ที่จะเอาใจไปวพูอยู่กับเรื่องราวที่มันทําให้เรารุ่งหนักเอาใจเนี่ยกลับมาอยู่กับลมหายใจหรือว่าใส่ใจลงไปในลมหายใจนะั้ความเบาความโปร่งก็จะเกิดขึ้นนะที่ใจเราไอเรื่องที่หนักอกหนักใจก็จะพลังหายไปแต่ถ้าเราลืมใส่ใจลงไปลมหายใจเดี๋ยวก็หนักอ ก, ห น, กหนักใจเดีวก็ร้อนรุนขึ้นมา ไม่น่นอนเดียวกันในชะ่ไหมเราเราเรายอดถัวเนี่ยนะอยากจะแนกว่าเราเติมใจใส่ใจลงไปด้วยนะแล้วมันนอกจากจะทำให้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์โอกาสที่ทัวมันจะรอดโอกาสที่ทัวจะโตนะงองงามเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้น แต่ว่าตนาน้นไา้ในใจเราก็จะงอกงามจิตใจในจิตใจของเราก็จะงอกงามไปด้วยเพราะว่าใจเราต้องการสติใจนะเราต้องการการบำรุงเลี้ยงอาหารของใจก็คือสตินั้นอะย่างใจเราเนี่ยนะเวลาเราจะมาฟื้นฟูป่าเนี่ยก็อยากให้เราทําอย่างมีสติเติมสติลงไปแลนะ ถ้าราทำได้แบบนั้นเนี่ยก็คือเติมความรัก เ, เติมความเมตตากรุณาลงไปด้วยเวลาหยอดถั่วก็ให้ลองทำเหมือนกับเราถ้าเราแผลเมตตาให้ถั่วเล็กเล็กน้อยใหญ่ที่เรายอดลงไปเนี่ยให้เขาไปเขาจะเจริญเติบโตเจริญ ง, งอกงามนะขอให้สามารถที่จะ รอดพ้นจากอันตรายแดดจะแรงอากาศจะแรงไงก็คอยเขาได้เติบโตเป็นต้นไม้แล้วก็แพขยายใบยกิ่งให้ความร่มเย็ น, นให้กับพื้นป่านำความชุ่มชื้นนะกับคืนมาสู่คูหลง คนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาจะปลูกต้นไม้ เ, เขาจะมีคาถายอย่างเช่นคนที่ไปปุรีเนี่ยก็จะมีคาถาปลูกต้นไม้พูดทางพราฝนทำมังพราผลสังฆพราผลก็ลคือว่าแล้วเขาก็จะพูดเป็นภาษาไทยนี่เป็นภาษาไทยว่านกกินเป็นบุญคนกินเป็นทาง พูดทางพระปณ์นะคบนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานทำบังพราปณลนกกินเป็นบุญคนกินเป็นทานทงทานพราผล์นกกินเป็นบุญค น, คนกินเป็นท า, นทางอันนี้ก็เป็นการปรลูกด้วยใจที่มีเมตตาให้ต้นไม้ที่เติบโตนั้นเ น, เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั้งสัตว์และคน ในใจที่มีเมตตาเนี่ยนะมันก็มีประโยชน์นะทั้งกับเราเองแล้วคนโบนราณก็เชื่อว่ามันก็จะทําให้ต้นไม้โตเรียกว่าเติมความรักเติมความใส่ใจลงไปเราจะนึกในใจว่าขอให้นะต้นไม้ขอให้ทั่วที่เราหยอดเนี่ยเขาเจริญเติบโตไปให้เขาเบิก บ, บาน ย่งเพลงที่เราดูเมื่อวานฟังเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนี้ถ้าเราช่วงเที่เราฉายาสไลด์เกี่ยวกับกิจกรรมเราเมื่อวา น, นก็จะมีเพลงนะเพลงเพลงนึง่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงเมรเลงพันเล็กๆแล้วเขาก็จะบอกขอให้เธอเจริญเติบโตขอให้เธอเบอิก บ, บานอันนี้เราทำกันดูก็ได้นะใส่ความรักความเมตตาลงไปพร้อมๆกับทัวที่เราหย่อนไปในหลุม แล้วม่ททำให้เราเนี่ยลืมทุกนะลืมความร้อนทำให้ใจเราเนี่ยหยุดบนหยุดวอยวายเวลาคนเราเติมความร้อไปในใจเนี่ยมันจะเป็นกุศลใจมันจะเย็ น, นแต่ถ้าเราไม่มีนะไม่มีสติปล่อยให้โทรศา์เข้ามาปล่อยให้ความตรงเข้ามาใจเราก็จะทุกข์มากอีกีหนึ่งแค่ช่วยทำให้ใจเรา จนะเป็นสุขนะแล้วก็มีผลต่อกายนะก็คือการเติมเมตตากรุณาหรือเติมความสึกดีๆความสึกบวกเข้าไปในใจมีผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นโรคสะเก็ดเงินนะแล้วก็เป็นสะเก็ดเงินที่แรงมากแกต้องนอนบนใบตอง สรับคนที่มีทุกขเวทนาเหล่านั้นเนี่ยนะมันก็จะทุกขกายทุกขใจแต่พิงคนนี้นี่แกก็อยู่กับโรคสะเก็ดเงินได้ยาระงับปวดแกก็ไม่เคยได้กินเท่าไหร่ใจมีเคล็ดลับยังไงนะคือแกมันชอบทําบุญเวลาทาบุญนี่แกก็บุญที่ส่งิุศลไปให้โรคสะเก็ดเงินนะนะบอกว่าสะเก็ดเงินนะ ถ้าเธอจะไปเธอก็อย่าลืมเอาบุญกุศลของท่านไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่าไอ้ยาที่ฉันกินมันแรงไปถึงยาที่ช่วยรักษาสเก็ดเงินขนาดเน่ทุกข์เสเก็ดเงินเนี่ยเายังมีจิตแห่งเมตตาให้กับสเก็ดเงินถ้าจะไปก็เอาบุญกุศลไปด้วยแต่ถ้าจะอยู่ก็ต้องระวังนะเพราะยาที่ฉันกินมันแรงเธอจะตายได้ อันนี้เนี่ยเม่อมันเป็นเวลาเราคิดแบบวิจัยว่าเนี่ยเปลี่ยนด้วยเมตตาและเมตตาที่เกิดขึ้นในใจก็ทําให้ให้ความทุกข์ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันลดน้อยให้เวลาเราทําอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเราเติมนะความรู้สึกดีๆเนะติมเมตตาตูนาไปในใจไอ้ความร้อนของแดดนะหรือว่างานที่มันยากนะมันก็จะ เบาลงแต่ก็จะทำ้ายจิตใจเราได้ลงต้องคอยดูนะใจเราดันั้นเนี่ยพิมอยากจะย้ำว่าเมื่อเช้าวันนี้เราจะไปยอดถัวยอดถัวทั่วฟูแล้วก็อย่าลืมดูใจของเราคื้นฟูป่าก็อย่า พื้นผูแต่ปากผู้หลงนะให้มันพื้นผูใจของเราด้วยก็อยากจัฝตาไว้นะเพราะว่ามาช่วยทำให้งานที่เราทำเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าสำเร็จทันทันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมแต่ว่าตัวเราเองก็เป็นสุขด้วยเกิดทั้งประโยชน์ข้าและก็ประโยชน์ตน อันนี้แหละก็เป็นอนอสองอของการปฏิบัติครับถ้าเราปฏิบัติทาง้างถูกต้องมันก็จะเกิดทนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนถ้าเราเป็นจิตอาสาอยาา่างชานอกจากเราจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเรายัางเกิดความ้ อ, องงนในใจรด้วยพรนะ้่ะมนะเกี่ยวกับก